บานประตูเสื่อลำแพนบ้านต้นไม้เสารหรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึง่งที่ชื่อว่าชายได้แก่มนุษย์ผู้ชายไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่เปรตไม่ใช่สัตว์ดีรชานตัวผู้แต่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่รู้เดียงสาสามารถยืนเคียงคู่สนทนากันได้คำว่ากลับคือโดยความเป็นอันเดียวกัน คำว่าสองต่อสองคือชายและภิกษณุณีคำว่ายืนเคียงคู่กันคือยืนอยู่ในระยะช่วงแขนชายต้องอบัติปาจิตติคำว่าหรือสนทนากันคือสนทนาอยู่ในระยะช่วงแขนชายต้องอบัติปาจิตติยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากัน้นระยะช่วงแขนต้องอบัติทุกกฏยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันกับยักษ์เปรตบันดอ หรือสัตว์เดรัจฉานตัวผู้ที่มีร่างคลายมนุษย์ต้องกระบตดทุกกฏ